เป็นง่ายแต่หายากร่างกายเหมืนปลูกต้นไม้กว่าจะปลูกต้นไม้ได้ทั้งต้นนี้ใช้เวลานานเวล า, าจะตัดมันทีนี้ครับเดี๋ยวการทำงานนี่มันมันง่ายกว่าการสาร้างสรรค์ไังมีอย่างเดียวที่ที่ที่ ที่สร้างยากใช้เวลานานแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ทำลายะากทำลายไม่ได้ก็คือมรรคผลที่ผ่านเนี่ยอย่างเดนะที่พอได้แล้วไม่ได้ไม่ไดใครมาทำลายแล้วร่างกายนี้นต่อให้เราดูแลรักษาดีขนาดไหนท่างกายเอาดูแลม่้ดีขนาดไหนก็ตาม ตอนอะไรมันจะเกิดข hmm. ึ je je je je so ้นทุกท่านคนัี่รักกันมาดูงานมาเป็นเวลาอันยอย่านตอนถึงเวลามันจะไปก็ไปหรือความสัมพันธ์ทำไมตีก็เหมือนกันคือรักกันมาดีแสนดีของดีเรื่องราวทั้งอย่างเดียวเกิดขึ้นก็ทั้งเลยเลิกกันไปเลยทำพูดบางทีพูดเพียงคาเดียวก็ ก็สามว่าที่จะทำลายสิส่งทั้งหลายที่สร้างกันไว้มาเป็นเวลาอันอยาวน้นให้ขาดขาดไปได้ทางโลกมันจะเป็นอย่างนี้แต่ทางธรรนี้พอสร้างอะไรไว้ได้แล้วก็จ ะ, จะจะอยู่กับเราไปจะไม่มีทางที่จะสูญหมดไปได้ มันก็ทางธรรมนี่ก็ดีตรงนี้ดีตรงทีว่าได้แล้วก็จะได้ไปตลอดได้จดได้ได้ตลอดเมื่อมีวันเสื่อเมื่อพอได้เจอหน้าบังแล้มันก็มันก็จะไม่มีวันทีึบหมดไปหน้าบางนี่จะไม่ไม่กลับมาเป็นปุถุชน ต่อให้อย่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามมีสงคารามมีเคียริดขึ้นมยอะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ก็จะไม่ทำให้พระเสโยยานบังกลับมาเป็นผูุ้ชนแล้วพอขอยับขึ้นไปเป็นพระสกิยาคามีก็จะไม่กลับมาเป็นพระเสโยยาบนบังเราขึ้นไปเป็นพระนาคามีก็ไม่กลับมาเป็นพระสกิยาคามี เราเป็นผ้าอาหารหัแล้วก็ไม่กลับมาเป็นผ้านาคามีาแต่ขึ้นไปอย่างเดียวขึอนแล้วก็ไม่ไม่ลดลงมาไม่ตกลงมาแต่ถ้าเป็นทางสวรรค์หรือพรหมโลกนี่ก็ยังมีการขึ้นมีการลงได้เช่นมีที่ว่า ถ้าเราทำบุญให้จางนักษาสีเราก็จะตือนไปสึงแต่มันจะหมดได้คือบุญที่ทำอิ่มทานรักสีนี่เป็นเหมือนน้ำมันที่เราเติมในรถเมื่อใช้ไปเรื่อยๆมันก็พอหม ด, ม ห, มดหมดบุญของทานกับของสีก็จะกลับลงมา เกิดเป็นมนุษยหม่แล้วก็ต้องมาสร้างใหม่ต้องมาทำดึงใหม่ต้องรักษาสีงใหม่พวกของมนุษย์นีมม้เป็นเป็นที่สร้างเป็นที่เติมน้ำมันชนิต่างๆถ้าเติมน้ำมันดีก็ไปดีถ้าเติน้ำมันไม่ดีก็ไปไม่ดีใหเราทำมาทำรั้ษาถึงใหม่ พอจะตายไปแล้วก็กลับขึ้นไปจะหใหม่ถ้ายังสมาธิด้วยเราก็ขึ้นไปที่ใช้คนพอหมดหมดหมดกำลังของสมาธิก็จะเคลื่อนลองมาจนเทพถ้าไม่ใน้ถ้าหมดกำลังของของธานของสีก็จะกลับลงมาเป็นมนุษย์มา เป็นพระอาจารย์ของพรท็อปเจ้าสองืูกท่านก็ได้ฌานท่านรักษาเสียท่านให้ทางมาคือท่านออกดวดท่านได้รับสมบัติอะไรท่านก็จะละให้ไปหมดแล้วก็รักษาเสียงนอนเพ็งสมาธิภาวนาสมถะภาวนาท่านรู้ท่านั้นเอง สมัยนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าส่งมาตัศลุไม่ยีใครรู้ถึงยุปัสนาภาวนารู้เพียงสมถะภาวนาก็เลยนําได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งตัสรู้ก็จะได้เพียงแค่สมถะภาวนาแต่เนื่นองจากพระองค์ในในพระตัญญาที่แก่ก้า เพื่อไม่มีคาจารย์ที่จะสอนเรื่องนิพาให้แบบองค์พระองค์งก็เลยต้องศึกษาศึกษาเองก็เลยได้ได้พบกับมรรคผลนิพพานพอได้มรรคผลนิพพานแล้วก็เก็บก็ไม่ต้องกลับลงมาใหม่ไม่ต้องกลับลงมาสู่สวรรค์ชั้นพรชั้นเท หรืชั้นมนุษถ้าเข้าถึงประนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาเจอลมั น, ม น, มนเหมือนเจ้าโดดที่เขาส่งออกไปที่เขาไปไปสำรวจในอาวากาศตัวนี้เมื่อออกพ้นจากแรงดึงยูดของโลกแล้วเขาก็ไม่กลับมาแล้วเขาไปได้ด้วยพลังของเขาเอง มนึ่งก็คือเรื่องของการระเับพาริเจตามศาสนาประเภทต่างๆที่เราจะได้รับ ก, กันถ้าเรายัางไม่ได้เข้าสู่ขั้นของมรัรยมวิทยาเราก็ยังจะต้องกลับมาเริ่มมันใหมา การมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทำาให้ทานใหม่รักษาศีลใหม่นั่งสมาธิใหม่ถ้าทำได้เพียงแค่สามอย่างก็จะกลับไปกลับมาอยู่กับเรื่องเหล่านี้ไปตลอดไม่มีวันที่สุดแต่ถ้าได้ถ้าไปสู่ขั้นอรีมัคอรยะผลเึ้นตัได้โสโสนาบพุท ม, มัคโสนาปฏินี้ ถ้าะเหลือเพียงเกียรชาติเป็นอย่างว่้าที่จะกลับมาเติมน้ำมันกลับมาเติมน้มันเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจิตมหาจารย์ได้แต่ได้ท่านพระสติลางคานีก็จะเหลือเพียงชาติเดียวที่ร่างกลับมาเติมน้นมันถ้าเป็นได้ท่านพระอนาคานี้ก็ไม่ต้องกาับมาเติ ม, มน้หมนันมีน้ำมันพอ ที่จะสามารถทำให้สำเร็จได้ในขั้นของโทมรโลกจิตของพระอนาคามีนี้จะอยู่ในในระดับขั้นของรทมารโลกแต่รรมารโลกนี้ต่างจากโทมของผู้ที่ได้สมาธิโทผูที่ได้สมาธินี้มันไม่ถาวรไม่เสียงมไ้แต่โทมารโลกของพระอนาคามีนี้ไม่เสี่อมเพราะมันเป็นปัญญา ได้ด้ว ย, วยสัญญานะตอนนี้แล้วพอบรรู้ถึงธาอาอรันถึถงธาตุนิทานก็ไม่ต้องกลับมาแต่นั้นมันถึ ง, ญญ ง, งถึงมหาต่งางแล้วไม่เคยผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมของของศาสนาที่พวกเรา กำลังปฏิบัติกันอยู่ทีดว่าเราจะปฏิบัติกันได้มากน้อยเป็นงไรถ้าปฏิบัติได้มากก็จะได้ผลมากถ้าปฏิบัติได้น้อยก็จะได้ผลน้อยไม่มีใครสามารถที่จะมาให้ให้คะแนนเราได้ เราเป็นคนที่ให้คะแนนเราเองไื่เหมือนเวลาเราเดินนักเสียถึแม้บาที่เราทําข้อสอบไม่ค่อยดีเราก็ยังอาจจะได้คะแนนเพิ่มคะแนนสงสารได้าจากอาจารย์เห็นไหมเราเป็นคนดีเห็นแล้วว่าขยันแปปบบปัญญาทึกก็ยังให้ให้ให้งานเพิ่มเพื่อเป็นการให้กํลาลังใจ การปฏิบัตินี้ไม่มีการให้ขั้นเงแบบนี้ทำเท่าไหร่ก็ได้ทำนั้นน้ำรับประทานอาหารนับประทานเท่าไหร่ก็ได้ทานนั้นรัประทานมากก็ได้มากรัประทานน้อยก็ได้น้อยดัง น, นั้นเราต้องพยายามทำให้มนะ การที่จะทำไห้มากนี้เราก็ต้องสร้างคุณธรรมที่สำคัญขึ้นมาสี่ประการนี้กันคืออิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่นี้เป็นคุณธรรมที่จะผักนัให้เราได้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการไปได้อย่างรวดเร็วข้อแรเรียกว่าสันทะ เป็นความยินดีความพอใจข้อที่สองว่าเียความมุสาหะเพียความพยายัมเพียงข้อที่สามเรียกว่ากิจตะความกรจอกจอข้อที่สี่นิมังสาแปลว่าการค่าควรเป็การคิดถึงเรื่องที่เรารวพลัง ทาอยู่เรื่องที่เราต้องทำมีอยู่สี่ประการนี้ถ้าเรามีคุณธรรมทสี่ประการนี้แล้วก็เหมือนกับเรือใบที่มีลมมีล ม, ม, มพัดมันจะพัดให้เราให้เรือยไปได้ไม่ยแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมนี้ก็เหมือนกับไม่มีลมพเรือใบเรือใบเลลวลาไม่มีลมัดก็ต้องแกว่ง ไม่ใช่ทายเกีวยมันก็จะไปไม่ถึงไหนดันั้นเราต้องพยายามสร้างคุณธรรมนะสี่ประการประการข้อที่หนึ่งก็สาคัญที่สุดก็คือธรรมะความเย็ดีควใจที่จะปฏิบัติภารกิจที่เราต้องปฏิ ก็ต้องดูโฆษณาเหมือนกับเวลาที่เราเห็นโฆษณาของสินค้าชนิดใดชนิดนึ่นงตอเราไม่เคยเห็นโฆษณาเราก็ไม่รู้คุณภาพของของสินค้าที่เขาโฆษณาแต่พอได้เห็นโฆษณาแล้วก็เกิดความชอบขึ้นมา อยากจะได้ขึ้นมาพออยากได้นะตรงนี้วิริยระตาใหม่ถ้ามีโทรศัพท์ก็จะยกหูโทรไปทางราคาจองสินค้าเลยแล้วใจก็จดจ่อกับการที่จะไปคือสินค้าชนิดนึงคิดคาาแต่เรื่องสินค้าชนิดนึงหรืนางสาวก็คิดอแต่เรื่องสินค้าชนิดนึง เราไรที่เกิดมันก็จะล่าสังเกตเดี๋ยนีอย่างถ้าเราพอมีสันพากับเรื่องอะไรแล้วเรามักจะมีวิรยิยะมีจิตตะมีวิมังสาให้ เ, เห็นโฆษมาให้ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวประเทศนั้นเที่ยวประเทศนี้นนนนนพอเห็นแล้วก็ถูกอกถูกใจเกิดสันธาขึ้นมานะ พอทานพระก็โทรจองโทรจองโทรจองนาเงินจ่าย well, the ังให้เพี่ยนะเปลียนทุก <compound> ข์เนทุกอย่างให้ตอนรอเวลาขึ้นเครื่องเท่านั้นถ้าไม่มีวิธีบาสิก็ไม่มีทางไปได้เห็นโฆษณาแล้วก็รู้สึกเฉยๆเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ไม่เกิดอาการที่อยจะไป ติดต่อไปทาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเดินทางไปก็ขึ้นอยู่กับโฆษณาเหมือนกันถ้าโษณาเราดูแล้วมันไม่ขี้นชงไม่น่าไม่ไม่น่ายไม่ไมไมไไน่าไปก็ไม่อยากจะไปน่นเพราะาการทำโฆษณานี้ก็เป็นเรื่องสำคัญวัสดุโฆษณาจึงเป็นเป็นบริษัทที่มีความสำคัญ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 สินค้ า, าก็ขายดิบขายเลยเทน้ำเทท่าเงินสิาสินแรกสำหรับทำธ า, ามากก็กาโรโฆษณาก็ต้องมีคนที่โทรศัพโฆษณาหรือคนที่โฆษณาสินค้านี้ก็ต้องเป็นคนที่ที่รู้ถึงวคุณค่าของสินค้านี้จริงๆต้องได้สัมผัสกับสินค้านี้มแล้ว เพิโฆษณาเรื่องมรรคผลวิพีานผู้ ท, ที่จะโฆษณาได้ดีก็ต้องเป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลวิพานีแล้วนี่ประการแรกประการที่สองก็อยู่ที่ความสามารถของผู้ที่จะเอาสินค้านี้มาม า, มาโฆษณ า, นาน ถ้าเป็นคนพูดเก่งเป็นคนเจรจาเป็นคนที่สามารถหวานล้อมด้วยอุบายวิธีต่างๆทำให้คนดูคนฟังโคจ ร, ราเห็นว่าเกิดความเลื่องสศ ร, รัทาอยากจะได้มรรคผลนิพพานมาบางท่างถึงแม่ว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วแต่ท่านก็ไม่มีความสามารถ ในในด้านการโฆษณาในการพูดหว่านล้อมจิตใจของคนมันคือท่านก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนเกิดเกิดอิจฉาจิเกิดขันธ์เกิดเยอะแยะจิตกมมีหนัสาวางเมื่ที่เราคงจะทราบกันว่าครูบาอาจารย์บางคนบางครังทั้งก็ลังรู้แต่ท่านไม่ค่อยพูดหรือพูดแล้วไม่เข้าได้ ทำให้คนเกิดเกิดอีกที่บาตรเสียขึ้นมาแต่บางลูกที่ท่านก็พู่แล้วก็ทําให้คงเกิดอุทธิบาตรเสียขึ้นมาหรือแม้แต่บางลูกที่ไม่ได้บรรลุแต่ท่านพูดเก่งท่านก็ยังสามารถทําให้คนเกิดอิทธิบาตรเสียขึ้นมาได้เกียงแต่ว่าท่าน นอกจากพูดไม่ตรงกับความจริงก็จะเป็นการเสียหายคือจะพาให้คนไปหลงผานได้คือไม่รู้จริงเห็นจริงแต่พูดเก่งโฆษณาเก่งคนฟังฟังแล้วก็เป็ดออกสิดใจปฏิบัติตามแต่ปฏิบัติแบบทุกๆึถู ก, ก, กอย่างนี้ก็จะ เกิดความเสียหายตามมาเสียแต่ถ้ารู้จริงเห็นจริงวัตุแล้วแต่พูดไม่เก็งก็ยังไม่เสียหายแต่พูดแต่ตั้งพูดไม่ยาวพูดไม่กว้างอยาพระอาจารย์สาวที่เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ท่านกาประวัติของท่านท่านก็พูดไม่เก็งท่นก็พูดไม่ไมยาวไม่กว้างขวาง กางพูดแเป็นทบบทันนเสียงภาณพิจัญญาทางเสียงภาณธรราไปหน้าแล้วก็จะถึงเองการพูดแบง น, นั้นคน่างก็ถ้าไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์คำคำานวะของแต่ทาที่การพูดนี้ก็จะ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้เหมือนกับแม่ที่ให้อาหารลูกถ้าแม่เอาเนื้อมาให้ลูกกินทั้งทิ้นลูกยังไม่มีฟันเคี้ยวไม่ได้เคี้ยก็จะกินไม่ได้แต่ถ้าแม่เอามาตักเอามาบดให้มันละเอยียดแล้วก็ให้ลูก รับประทานโดยที่ไม่ต้องเที่ยวูกก็จะรับประทานได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านลาดที่ท่านเก่งนีท่านมีวิธีทำอาหารได้แก่ลูกของท่านหรือที่ว่าลูกของท่านนั้นอยู่ในก็ดหนังถ้าเป็นเด็กแบ๊กไม่ดูดฟันนั้นก็จะบทอาหารได้ละเอียด ถ้าเป็นบดกโตมีปัญญาท่านก็ให้ให้ักปฐทานทั้งทั้งชิ้นได้อย่างพระพุทธเจ้าธรรมะที่นะทรงสอนแก่ทุกคนต่างๆนั้นมีความแตกต่างกันแต่เป็นธรรมะอันเดียวกันอยู่อยู่ที่วิธีการสอนบางครั้งทกานว่าสองตัดเพียงสั้นๆทำสองคันก็บรรลุได้ บางครั้งก็ต้องพูดยาต้องขยายความเพราะคนฟังนี้ฐานาจิตของคนฟังหรือฐานะาสติปัญญาของคนฟังนี้มีอยู่แนะระดับระดับเด็กอ่อนก็มีระดับผู้ใหญ่ก็มีแล้วเพราะนั่นจางแสดงทําทให้คนฟังแต่ละกลุ่มหรือแต่ละระดับเตียงไม่เหมือนกัน นี่ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้แสดงก็ต้องรู้ว่าคนฟังมันอยู่ในระดับไหนถ้าให้ผิดกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าให้ให้เนื้อทั้งด้วยมือเด็ดรับประทานเด็ดอ่อนรับประทานก็รับประทานนี้นะถ้าถ้าให้แบบละเอียดให้ผู้ใหญ่รับประทานก็ไม่อร่อยก็ไม่อยากจะรับประทาน ดุจคนที่สำคัญที่สุดต่อการที่จะทําให้เราเกิดฐานะก็คือผู้แสดงธรรมนี้ถ้าเได้ผู้แสดงธรรมที่เก่งที่ฉลาดคือรฐานะของปฏิปัญญาของเราแสดงให้ถูกกับจิตของเราถูกกับภูมิกิตภูมิธาของเราเราก็จะได้รับเป็น จะทำให้เราเกิดสันาะตึงต้งเกิดความยินดีพุาทธากจนิงเกิดสันทะความยินดีแล้วความอุาความท้าที่ก็จะเกิดขึ้นตามมาจิตต์คือจดจ่อใจก็จะจดจ่อกับเรื่องการกฏิบัติต ท, ทันทีมีน้นงตาใจก็จะคิดแต่เรื่องการปติบัติ ถามารวจจอดนี่คือจะไม่ยอมไปทำงานอย่างอื่นะเคยทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะทึ้งจะเอาจะจตจจออยู่กางปฏิบัติใจเมื่อก่อนเคยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปทําเรื่องทํานี้ไปอะไรต่างๆก็จะยุดคิจะคิดอยู่กับเรื่องปฏิบัติอย่างเดี ย, ยวแยมาวิมานจาร์คิดอยู่กับเรื่องทางเรื่องศีลเรื่องภาวนา ถ้าเราคิดเกี่เรื่องทางเรื่องศีลภาวนาเราก็จะทำแต่เรื่องทางเรื่องศีลภาวนาแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดืนเราก็จะไปเที่ยวไปกินไปดืนมแต่คนที่ีมีสันต์ธรรมมรรคสมงนิพพานนะแต่ไม่คิดถึงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องดื่จะคิดแต่เรื่องเรื่องปฏิบัติทางศีลภาวนา นี่คือปัจจัยสำคัญสี่ประการนี่สังข์สังฆะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้างี้คุณธรรมทั้งสประการนี้แล้วมันก็จะทาให้เราสามารถไปถึงจุดห ม, มายปายทางที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เป็นัรดกนิพานเป็นการไปเที่ยวตามสถานที่นั้นสถานที่นีน้เป็นการสร้างครอบครัวสร้างสามีสร้างภรรยามันก็เกิดจากการมีอิทธิบาทสินี้ทั้นีือแม้กระทั่งการไปนรกการไปอาบายมันก็เกิดจากอิกทธิบาทสี่เช่นเดียวกันคนที่มีไปนรกไปอาบายเขาก็จะมีใจชอบเรื่องอาบายอย่างมก เขาก็จะเดิงจุรายาณาเล่นการตะลงเที่ยวกลางคืนครบคนชั่วส น, นิทชอบความเกลียดก้าน<ม>เขาก็จะมีทางค้าไปในทางนี้ความภาคืนของเขาก็จะไปในทางนี้ภาคืนไปบ่อนภาคืนไปใบบาหาความสจบจบใจก็จดจ่ดจ อ, จดจออยู่กับเรื่องเดินจุร า, าเรื่องเล่นการตะลเรื่องการเที่ยว ใจก็คิดถึงเรื่องการเดินเที่ยวเรื่องการเที่ยวเรื่องการเล่นการสนับเพื่อทํากับเรื่องราวเหล่านี้ผลมันก็ต้องเป็นเพราะเมื่อมันเข้าไปมีเกี่ยวกับอวบายเมื่อแล้วมันก็ต้องไปทํำบาทําการมต่อไปเพราะมันจะต้องหาเงินมาสนับสนุน ถ้าเราทํางานทําการเป็นปกติเราก็จะไม่มีเวลาไปเที่ยวเป็นเดือนสุราแต่ถ้าเราไปเที่ยวเป็นเดือนสุราเราก็จะไม่มีเวลาไปทํางานสมาีิเราก็ต้องหามาโดยวิสัยที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมเป็นวิสาที่ทําผิดศีลนักทรัพย์ผลิตภตัวหนึ่งฆ่าสัต์ตะลุก ก็หกลบรวมนี่นก็เป็นการสร้างองบายขึ้นสร้างภูมิของเดรัจฉานของไตของนรกขึ้นมาก็เป็นจากฐันพะเวริยะนี่เองทั้งนี้การโฆษณามันก็มากไปในทางนี้ด้วยลองสังเกตดูวชวนให้คนไตนรกกันนั่นเองมีโฆษณาทุรายามาโฆษณาให้ไปเที่ยวหาความสดสาส แข่งล้มเทิงต่างๆสถาน ท, ที่ต่างๆมีทั้งแมโครัวสาก็มีคนชวนกันเยอะคนที่ชอบไปทางนี้ก็มีมากกว่าคนที่ชอบไปวัดกันคนที่จะชวนกันไปวัดนี้นี่น้อยเจ้าเหมือนเขามีสักสองเขาตัวหนึ่งมสองเขาในคนที่ชวนให้ไปทางระบายนี้เป็นเหมือนขนวัว มีเต็มไปหมดไปไหนก็มีแต่นคนชวนให้ไปกินเหล้าให้ไปเที่ยวให้เป็นเรื่องการสนับให้ไปทำบาปทำกรรมนี่คือคนที่จิตใจอ่อนไหมงา่ายเชื่อเชื่อง่ายก็จะถูกชดล่าแทงได้แต่คนที่มีหลักมีเกณฑ์ รู้เหตุรู้ถึอรู้ดีรู้ชัวร์ก็จะก็จะปยาจะถูกทวรปัจยาคนที่ได้สร้างหลักสร้างเกณฑ์มาหลายพบหลายชาติแล้วจะไม่ไปทางชั่วได้งายแต่คนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์ในความผิดถึงดีชั่วก็จะไปไปได้งาน นั้นเราก็ต้องพยายาสร้างหลักสร้างเตียนที่ดีคือให้มีคุณธารที่ดีภายในใจมีทานมีสิงเป็นหลักให้มีความเชื่อขับดิสิทธิ์แล้วก็มีความเสียสละมีการให้ไม่เห็น มีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้พอจะชื่อยเหลือผู้อื่นได้ก็ให้ไปจะทําให้ใจเรามีความเมตตากรุณาจะทําให้เราไม่ชออ่าเบียดเียนผู้อื่นจะทำให้เรามีขีดถ้าเรามีสองอย่างนี้แล้วอย่างน้อแล้วก็ปลอดภัยจากการที่จะตั้งใจเกิดยัยอันใด กาจะต่งทำให้เกิดเป็นมนุษย์มนยเศสลับกันไปจนกว่าจะได้ได้ภาวนาได้จเจริญนิพพานเาได้จเจริญนิพพานก็จะได้บรรลุมรรคผลขั้นสามขั้นต่างๆไปอย่างแน่นอนเพราะมีคนที่ปฏิบัติบรรลุกันเยอะกันมากในสมัยพระพุทธการ คนนั้นก็บรรลุเป็นโสดาบันคนนี้ก็บรรลุเป็นสัาคามีคนนั้นก็เป็นอานาคามีคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ถ้าเราจำง่ายเหมือนกันเพราะเขาได้ได้สื่อโฆษณาที่ดีอนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ทําธรรมจากพระอริยสงฆ์สาปรากฏผู้บรรลุมรรคนิพพานกันเป็นจำนวนมาก สำไมไ ม, ม่มีผู้โฆษณามรรคผลุพานนั้นแต่ก็ยังมีอยู่คนกลาดก็ก็หาเจอคนไม่กรลาดก็หาไม่เจอคนที่หาเจอแล้วก็บรรลุมรรคผลุพทานกันก็มีแม้แต่ในที่รอย่างนี้ก็อาจจะมีก็ได้เพียงแต่ว่า ไม่ประกาศให้ผู้รู้กค่นั้นเองเพราะเป็นเรื่องภายในจิตภายในใจของแต่ละคนผู้ใดก็เป็นดาาสองคนคองฟงที่เขาไม่ชอบที่แน่เราเขาก็อาจจะหาว่าเราอุดเตอโวดก็ดังผู้ใดก็อาจจะเป็นภัยอันตราย การที่จะพูดถึงคนนี้แต่สองตัวนี้นั้นต้องระมาตระังเวลาพูดจะต้องเดง ว, ว่าคนที่เราพูดนั้นเขาเป็นใครเขามีจิตใจอย่งอางเราถ้าไม่แน่ใจหรือว่าถ้าไม่มีเหตุผลที่จะพูดถ้าไม่ขวรที่จะพูดจะดีกว่าหรือนนถ้าจะพูดก็ขอให้พูดเป็นเชิง จำเพียงวิทยาการไปพูดถึงพูดถึงของของธรรทา่านนั้นไปนะการบรรลุเป็นพระผัวดามันจะต้องทำอะไรบ้างอย่างนี้ก็เพียบนะคนฟังก็รักแต่คำแต่คิดพระก็อาจจะว่าเราบรรลุ ก, ก็ได้ไม่บรรลุ ก, ก็ได้แต่เรื่องความคิดของคราวนั้นไม่สําคัญสำคัญอยู่สําคัญอยู่คือว่าเราบรรลุหรือไม่บรรลุท่านนั้นนี ถ้าเราบรรลุเขาไม่คิดว่าเราบรรลุก็ไม่เห็นจะทําให้การบรรลุของเรามันหายไปได้แต่ถ้าเกิดเขาคิดว่าเราบรรลุแล้วเราไม่บรรลุมันก็ไม่ได้ทำให้เราบรรลุขึ้นมาเท่าเด้าการจะไปบอกคนอื่นว่าเราบรรลุนั่นรนั้มันไม่จำเป็นไม่จำเค็นนอกจากมันมีเหตุผลบางประการที่เหมาะสมกับการกับเวลาก็ อ, อาจจะพูด คู่บายใจเราท่านก็ไม่ได้มาพูดแบบชมเสียงห้าท่านก็เขียนไว้เป็นเวลายาวนานเวลาที่ท่านพูดท่านก็พูดกับคนในกลุ่มเลกๆคนที่ที่สนใจต่อการปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้พูดแบบว่าเป็นเห่าง น, นั้นเป็อเขาเียงแต่แตสแดงเหตุสแสดงผลเหตุก็เป็นดามปฏิบัติ ของท่านานะทอยอยนนนาา่าปฏิบัติมาอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แต่น่าจะติดปายว่าพอปฏิบัติอย่างนี้ได้ผอย่างนี้ก็เป็นพระข่านนั้นเป็นพระคนนีน้ท่านก็นนเลยพูดอะท่านก็เพ่งแต่พูดว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะได้ผล อ, อย่างนี้เช่นพิจารณากายพิจารณาเกิดแกเจ็บตา จนกระท้่งปล่อยวางความยึดติดในความเป็นความตายของร่างกายได้ใจก็จะหายโกหายจากความโกเป็นตัวความตายได้จึงเราพูดได้เลยพิจารณาอสุภะจนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่น่เนาเป็นปฏิกูลเป็นสุภะเป็นปฏิกูลก็มี้แต่เสียงสทสะเป็นไปนื้ เป็นอสุดัสเาก็เป็นสิ่งที่หน้าขยะขยงสุกข่อนอยู่ภายใต้ผีหนึง่งดยกระทั่งไม่มีอารเหลืออยู่กับเรื่องของการเกิดการอันนี้ก็พูดได้ถ้าเวลาสุดภัสเป็นที่มันก็จะต้องเกิดขึ้นมาการเมลาทามันเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นมามันก็แสดงมันก็ทำลายเราไม่ได้ เหมือนไฟถ้าเรามีที่ดับไฟยกับมือไฟมันจะลุกตรงไหนเมื่อไรแล้วก็ฉีดปั๊กเดียวมันก็ดับไปทันทีการมาราคาะก็เป็นเหมือนไฟในใจเร า, า, าตัวนักสุภาพณ์สมาธิปฏิปุ้ยนี้สมาธินี้ก็เป็นเหมือนกับที่ดับไฟเราถยออยู่ติดกับมือเราพอไฟตรงไหนปั๊กจะฉีดไฟตรงไหนลุกขึ้นมาจะฉีด ทานมันก็ไม่มีกางที่จะยุบลามได้อันนี้ปฏิบัติมันจะเห็นภายในใจเห็นชัดๆเลยเรื่องของกายก็มีแค่นี้พิจารณาให้เเห็นว่ามันต้องตายแน่ๆมันเป็นเพีิงดินน้ำล ม, มันไม่ใช่ตัวเราของหันแล้วก็ไปอยงทิ้งในที่มันจะถูกทําลายไปอยู่ในป่าไปอยู่ในที่มันนา่นาน่ากลัวแล้วก็ ดับไปเลยเวลาเกิดความกลัวขึ้นมางก็ปลงไปเลยกลัวตายนีนก็ต้องตายยังไงยังไงมันก็ต้องตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายแต่พยายามตายแล้วความกลัวตายก็จะหาต่อทีนี้ก็รู้แล้วว่าออเราไม่กลัวแล้วแต่เรายังไม่ตายแต่เราก็รู้ว่าเราต้องตายแต่เรารู้มากเม่าถึงเวลานั้จะตายเราไม่กลัวแล้วเวลาเราอยู่เราก็อยู่อย่างสงบอย่างจะตาย ไม่มีความกลัวอยู่ในจในใจต่อต้องไม่มีความอยากที่จะอยู่เป็นนิรนดร์เมื่อยังไม่ถึงเวลาจะตายก็ยอมตายแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาจะตายก็ไม่ไม่ยอมตายเหมือนกันก็อยู่ตปแต่อยู่ตามความเป็นจริงไม่ได้อยู่ตามความอยากบางคนเวลาอยู่อยากจะตายก็น่อยก็ทุกข์ก็ต้องฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็ไม่ใช่ คนที่ข่าตัวตายนี้ไม่ใช่เป็นคนบลุนะไม่ได้เป็นคนที่ไม่กลัวตายคนที่ข่าตัวตายเพราะกลัวความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการมีที่นิจิไม่ได้แสดงว่าเขามรรลุนะคนที่ข่าตันตายยังกลัวตายอยู่แต่ความกลัวความทุกขามาในขณะที่อยู่นี้มันมีมากกว่าเชาเป็นโรคอันโรคภัยอย่างคนสมัยนี้ เขามีโลกที่มันนักษาในหายแต่แต่ย่าอยู่อย่างทุกข์ทรมาร์ไปก็ไม่อยากไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้แสดงว่าเขาไม่กลัวตายเขากลัวตายเขาอยากจะอยู่เพียงแต่ว่าเวลาอยู่มันทุกข์ทรมารเขาก็เลยเรียว่าเสียความทุกข์ทรมาร์นด้วยการฆ่าตัวตาย เขาอยากจะอีู่จากความทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวตายแต่เขาไม่หีโรคภัยแบบนี้ถหายหอบหายใจท่าตัวตายเนี่ยเขาก็ไม่ฆ่าเขายังอยากจะอยู่เพราะมีสุขภาพสมิ่งแข็งแรงนี่ถ้าอยู่ได้ถึง200ปีก็อยากจะอยู่แต่ถ้ามีอายุแค่30ปีแล้วมีโรคภัยที่ทาให้เขาต้องทุกขทรมานอยู่ทุกวันแล้วไม่มีโอกาสที่จะหายเขาก็ไม่อยากจะอยู่อนี้มันก็เป็นกิเ อ, อีกอย่างหนี่ง แต่นี้ภาวะตัณหาแต่คนที่พร้อมจะตายเมื่อถึงเวลาตายคนนั่นอ่ะเป็นคนที่บรรลุได้แต่ยังไม่ถึงเวลาจะตายขาเขาก็ไม่ตายเขาก็อยู่ของเขาตายตามตามเรื่องของร่างากายร่างกายอยูงได้ก็ให้เขาอยู่ตาร่างกายอยู่ไม่ได้ก็ให้เขาตายไป เขาเขาไม่ไม่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่และการตายแต่ถ้าเขายังไม่สามารถที่จะรับกับความทุกข์ทรมานของโรคภายใเนเจ็บได้ก็ได้หลังกระทาตัวตายก็เนี่ย ก, ก, ก็ก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าเขาสามาร ถ, ถาทานควาทุกข์เจ็บปวดของร่างกายได้คือร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนการเขาไม่กระทบกระเทือน ถึงแม้เขาจะมีโรคภัยที่ทําให้เขาจะต้องอยู่แบบทุกข์ทรมานกันก็จะเป็นการทุกข์ทรมารเฉพาะส่วนของร่างกายท่านั้นเองแต่ใจของเขาก็จะสงบนิ่นี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เราผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเวลาเรานั่งแล้วร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเราก็ปล่อยให้มันเจ็บไปให้มันให้มันเจ็บคงใจจนกระทั่ ง, ม, ม, งมันหมดกําลังของมันเอง มันหยุดไปเองถ้าใจเราปล่อยมันได้เราจะอยู่กับมันได้เราเหมือนกับตอนเนี้เสียงที่มันดังอยู่นี้เราอยู่กับมันได้เพราะเราปล่อยวางเสียงเราไม่ได้ไปมีความรังเกยียจความรังพานใจกับเสียงนี้คถ้าเราเป็นคนที่ชอบเรียบนะพอมีเสียงอะไรนิดหน่อยนี่เรารับไม่ได้นี้เราก็จะทนกับเสียงนั้นไม่ได้ แต่ถ้าเราทําใจให้เป็นกลางเป็นมูอใดขาวางเฉยต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นความเจ็บของร่างกายร่างกายเจ็บก็ปล่อยร่างกายจบไปแล้วก็รับรู้ ต, าต่างความจริงของเขาเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเรามันก็จะไม่เป็นปัญหาเลยแต่ปัญหาของพวกเราก็คือเรายังปล่อยวางความเจ็บไม่ได้ เราความเจ็บแบบขึ้นนี้เราต้องจัดการกับเขาทันทีเราไม่ปล่อยให้เขาออกมาเพ่นพ่านเราต้องไล่เขาไป ท, ทันทีด้วยการเปลี่ยนอิเลียร์ด้วยการหายาแก้ปวดมารักษาด้วยการหาหามหมอหาอยู่หายาการที่จะอยู่กับมันไปเามันจะเป็ น, นไรก็เป็นไป ทำาจให้สงบให้ปล่อยวางได้แล้วมันจะไม่เป็นปัญหานี่ก็เป็นเป็นทางเ อ, ก, อกท่านที่เราจะต้องผ่านให้ได้ทางร่างกายก็ต้องผ่านความแก่ความตายแล้ก็ความเจ็บปวดของร่างกายแล้วก็ราคะปัญหาก็ต้องผ่านให้ได้นีเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายก็ยมาาีการมาลาภ เรื่องของความเจ็บปวดของร่างกายเรื่องของความตายของร่างกายถ้าเราท่ายปัญหาเหล่านี้ไปได้แล้วเราก็หมดภาระเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายไปปัญหาที่เกิดกับร่างกายจะไม่เป็นปัญหาสำหับเราต่อไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของเราเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีผู้อื่นก็เจ็บจะตายจะเป็นโรคภัยอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา ร่างกายของเราเป็นจะเจ็บยังไงจะเป็นโรคภัยอะไรมันก็เป็นเรื่องของร่างกายใจไม่ได้เป็นอะไใจก็ไม่เนตัวอย่างสบายต้านไวุ่นวปกันหมดเลยมีเพื่ อ, จ, จ, จ, จ, อจะนี่คือเรื่องของการปฏิ บ, บตัติถ้าปฏิบัติแล้วไม่ยอมไม่ไม่ถอยไม่กลัวหรือเผชิญหน้ากับความจริงอันนี้ให้ได้ เผชิญหน้ากับความตายให้ได้เจชิญหน้ากับความเจ็บปวดของหน้าตายให้ได้เผชิญหน้ากับความไม่สุในงานของหน้าตายให้ได้เผชิญกับความเป็นปฏิปุจความสุขสบปกของหน้าตายให้ได้เราไปปฏิเสธเรื่องนี้เราต้องศึกษาเหมืนเพราะมันเป็นอริยสัจมันเป็นทุกข์ทุกเกิดจากเรื่องนี้ทุกเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเกิดจาก ความความเป็นอสุพะความเป็นปฏิกูุของร่างกายเราไม่ยอมมองสิ็งเหล่านี้ันเราปลวมนพอมันโผล่ขึ้นมาทีก็เหมือนจเจอเสือใจสั่นในหมดเลยแต่ถ้าเราฝึกทำใจดีชื่อเสือไว้ต่อไปเสือมันจะได้กล้บา ถ้าเราเลีอยงแนี้เสือมันจะวิ่งกลางตะกบเลยนั่นเรียกว่าดีละแต่ถ้าเราชู้มมันนี่มันไม่กล้ามันไม่กล้าตกล่ะถ้าเราปเผชิญกับความแก่ความเจ็บกลางตายได้ต่อไปมันมทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราปเผชิญกับสุภาประเผชิญกับปฏิพุนได้ต่อไปนีนจะไม่ทําอะไรการมาราธอนจะหยุดยั่งจิตใจของเราไม่ได้ จะอยู่อย่างสบายอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องเจ็บเหงาว้าเวเย่ไม่อยากจะมีคู่ครองลำคาญอยู่กับชาติศพไปอยู่ทันเราก็มีชาติศพของเราอยู่กับชาตินะก็ยังต้องไปหาชาติศพ ก, กันมามาอยู่ด้วยทั้งนั้าตึกับชาติศพก็อยู่ด้วยกั น, กกอกนนะมอองไม่เห็นกันเห็นเป็ น, นางานฟ้าเห็นเป็นเทวดานี่ ผมจะนั่งแบบนาแบกเพราะไม่เห็นหลักสุตรพระไม่เห็นปฏิกรุงนี่แหละคือธรรมะที่ที่พวกเราต้องเกิดฉันทะให้ได้ฉันทะที่อยากจะปฏิบัติอยากจะเจอกับสิ่งเหล่านี้เจอกับความตายเจอกับความาเจ็บปวดของร่างกาย เจอกับสุภาเจอกับปฏิกุณถ้าเรามีฐานะแล้วเราวันวันนึงไม่ต้องทำอะไรแท่งแต่อสุภาธรมฐานดูอาการสามสิบสองทุกนาวันอยู่เรื่อยเๆคราวที่แล้วให้าการบ้านกี้มีใครทำหรือย่างนี้นแผ่นแผนปฏิคุภานนีน้มีใครดูบ้างหรือไม่ดูบ้าดูกันทีหน ดูกันพอพอเป็นพิธีเวลาถามได้ตอบได้ต้องดูทุกวันเลยดูว่ามันเติดตาติดใจไปเลยดูว้ามันจะกระทัลอยความเดือหน่ายในร่างกายไปเลยเหมกินยาฮะบหมอให้ยาไปต้องถุงหนึ่งกินแค่เม็ดเดียวเพราะโรคมันจะหายเลยนะ กินยาต้องกินให้จนกระทั่งโรคมันหายไม่ก็ให้ยาไปก็กินให้มันหายเดูให้มันจนกระทั่งมันหายายากเลย <c oughs> ก็คือเราไม่ค่อยได้ทํากันทเทแต่เราไม่มีอาจจะมีฉันทะแต่วิริยะมันน้อยขีดกะมัน้อยวิมังาสาก็น้อยเพราะฉันทะมันน้อยมันมีฉันทะในเรื่องเอืกกนะะอน่นมากกว่าน้อยาดูฉันทะจะดูละครนี่อันมากกว่าฉันทะจะจินคำของไม่มัมากกว่าเฮ้ยนี่เรี่วลาที่กันวะ มาชันท้ากับทางธรรมะกันไม่รู้จะทำอะไรของเราเนี <laughs> morning, <that> <be> well, no ่ยพอพอได้อ่านหนังสือธรรมะเล่นเดียวมันป็ดเลยเหมือนตาติดเด็ดเลยมันไปทางธรรมะเลยมันไม่เอาอย่างเดียเลย ได้หนังสืมาเล่มก็เขียนไปขอมาอ่านหลายหลายเล่มพอได้อ่านแล้วก็รู้ทางวิธีปฏิบัติจะเริ่มปฏิบัติเลยลาออกจากงานไม่ไปเที่ยวขังตัวเองว่าอยู่ในบ้านเราเต็นท์เป็นกองนั่นสมาธิอ่านหนังสือทำถือถือถือถือไป ไม่ดูไม่ฟางไม่ดูหนังไม่เพ้นไม่ออกไปเพื่อหาความสุขทำตาหงุดหงิดใชไหมครับอาจ น, น, น, น, น, น, น, นั่งสมาธิทำโยนอจองความทบอ่านหนังธรรมแล้วก็ออกเกือดแล้วก็ปฏิบัติบวชพอบวชต้อสหาวัดปฏิบัติเลยนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอ วัดที่กรุเทศได้เพียงประมาณเดือนกุมภาพอต้นเดือนเมษาก็ไปอยู่ที่อุดอรเนี่ยแล้วก็อยู่ที่ก้าวเปนแปดปีกวเกือก้าปีเก้ 9, าพันาไม่ได้ออกจากว่าออกจากวัดกันมาเยี่ยมบานทั้งสองครั้งทั้งแรกจะห้าปีก็แล้วทันที่สองก็แปดปี เราทำที่สามออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปเลยไม่อยู่ก็ไม่ได้ไปไหนยอยู่ใจในวัดอย่างเดียววัดก็ส่งเสริมทำในอย่างเดียวเดินจงกรม น, นั่งสมาธิบำเพ็ญสัมาทิฏทุกสี่ห้าวันรานน่ายพิธีประชุมอบรมธรรมสอนเรื่องการปฏิบัติในแค่นี้ ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับเรื่องธรรมะตั้งแต่วันเริ่มต้นเลยตั้งแต่วันที่เกิดังคขาแนานอนคือธรรมะเรื่องแรกน้นเกิดความพอใจที่จะปฏิบัติธรรมก็มุ่งไปทางการปฏิบัติใจเรคิดแต่เรื่องปฏิบัติเกิดเจด้าจากการปฏิบัติไจ่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลย เน ah right? ี่ยถ้ามันทําอย่างเนี้ยผลมันก็ยังกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วไม่ยาวไม่เกินเก็บปีอย่างที่พระเจ้าทรงขยายกอนเลยเจ็บตีนี่มันจะมากเกินไปที่ไม่รับได้ แต่เวลาอ่านนี่เวลาอ่านที่ท่านบอกพยากรณ์นี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้คิดว่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปนดนะ้เพราะเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็ไม่สนใจสนใจยอยู่ที่ว่าขอให้ทำํำแต่ละเดียวขอให้ทําได้อย่างสองเรื่องไม่สะดุดไม่ล้มทักไปไม่ถอยนะกลัวอย่างเดียวกลัวเริ่มแล้วจะไปไม่ตลอดรอบสังนี้แต่จะเสร็จเมื่อไหร่ ไม่สำคัญถ้าทำแล้วมันไม่หยุดมันต้องถึงแน่ๆมือนการรับประทานอาถ้ารับประทานแล้วไม่หยุดรับประทานมันต้องหยุแน่อย่ารับประทานเ <c oughs> พราะเราไม่ทราบรับประทานถ้าราาับประทานยาพิษกันยาพิษมีรับประทานกันไม่หยุดไม่หย่อน <c oughs> ใจยังมีแต่เศษที่เป็นพิษเป็ น, นไข่ละลาย ก็คือโลคโกรธหรืออะไรแคให้ให้อรหารกับใจก็คือให้ความให้ความโลกความโกรธความโหนงกับใจราใจของเราเองมักจะโลภจะโกรธจ ะ, จะยอยู่ตลอดเวลาก็ให้ทางให้สีลให้ภาวนาโลคโกรธหรมันก็จะน้อยลงไปเบลงไปแล้วก็จะหมดไปที่สุด ฉนนก็ขอให้พญาสร้างสฐาคะให้เกิดขึ้นอาเทศขงคุราจารย์มาต่อมาฟังของเก่าที่ท่านแสดงไว้ตองมีประโยชน์เพราะสมัยนั้นท่านขึ้นเทกับการสั่งสอนจริงๆกับพระปฏิบัติจริงๆสมัยนี้ท่านจะพูดให้กับสัตวายยากเดียวเทั่ยว่็ไปฟังก็จะไม่ไม่หลับไม่แรง ไม่พอที่จะกระตุ้นสันทะให้เกิดสันทะที่จะปฏิบัติเอามาอ่านเอาม า, เ, า, มาเปิดเวลมเราก็ได้รับประโยชน์เวลาการเทศของธรรมนั้นมนก็ใจมันก็คึกขมลองใช่ไหม มันก็เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้มันธรรมะมันแค่เวลาถึงแม้เราจะไม่จำเป็นจะต้องใช้มันแต่เวลาดีมันขึ้นมามันก็ทำให้จิตใจรมันกระตื้นกระป่ามันก็ะเทิอนขึ้นมาดวงด้วยนะแต่ก็ไม่แลบนะครัว่ามันไม่มีแล้วมันจะเข้าหมอนมันจะเสรินกระทนะไอย่างเงีนะครับเาป็นเห็ว่ามันได้รับการกระตุ้นอย่างสภาวะอุปเดชาเฉยๆมันก็อ่านธรรมะขึ้นมาเรื่กระตุ้น ถ้าเราเป็นวิหาระทำพยายามท่าสังท้าให้ถึงเก้งพยายามทังธรรให้เบาๆมากๆฟงทุกวนันเลยละน่าจะถือเป็นหลักว่าวันหนจะฟังสักครั้งธรรมะของคุกบาอาจารทำเล สลับกันไปเปลี่ยนกันไปมาละกันน่ายดีตอนถ้าเื่นขึี่มาก่นจะไปทํานตื่นช้าๆขึ้นมานั่งภาวนาแล้วก็ฟังธรรมนึกฟังธรรมแล้วก็ภาวนาต่อไปมันจะมีมันเหมือนกับจะได้น้ำมันเลือดเคื่อเื่อให้ให้เกิดในแผ่นพับระยะที่จะ ท่านก็จะปฏิบัติารรมท่านในพระกัทดีดก็มีดแะดงมาในแต่ละเวลาพระอรหันต์อรหันู้นท่าไ น, มนาไม่สบายพอพกะเจ้าจไปทรงเยี่ยมก็ไปทรงแะดงทำให้สังีลุกขึ้นมาเดิน อ, อะไร มันทำรังจิตจิตไม่ได้เป็นอะไรพอได้ทรมามันก็เลยกับตี้กระป่างขึ้นมาเห็นปลาได้นะคนับถ้าไม่มีธรรมากก็นอนสบายสบายใจ ไ, ไม่อยากไปแต่พอมี้ทรมันเลย แต่จิตข so, ้งท่านคงไม่มีปัญหาการเป็นภาพหรือหันจิตของท่านกไม่ทุกข์ไม่ทรมานเลยเวลาท่านก็จะคิดเฉลยอยู่ในอุเบกขาใส่สบายร่างกายมันถึงจะเพลียมค่จะเป็นอะไรก็เป็นตอแต่ก็ได้ยินได้ทำธรรมะได้พูดธรรมะนี่มันเจ๋งจิตใจมันเหมือนกับมีไฟพุ่งขึ้นมคือมันจะลุกขึ้นมาเดินนึนมาทันนี้ทันได้ ทุกข์กับผู้ป่วยยอมกับก๊อกน่แต่เวลาดี้นริษเตยอยู่คนเดียวไม่เดียรอะไรมันก็ถือใช้เงินไปนะมันก็ไม่เจ้ามันก็ไม่กระดึงมันก็มีความสุขเหมือนมันไม่เหมืนก็ันไม่รอดถอยมันไม่แต่สำหรับท้าหารนี่ไม่เป็นปัญหาจะฟังธํานี่ไม่ฟัาธทํม ไม่้เป็นปัญหาปัญหาไม่ได้เป็นอะไร อ, อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ใกล้จะปริณิพานธก็ยังมีปนนาริภารชกมาขอาควงมทนมพละเจ้าเข้ามาแล้วเข้ามาเลยข้าห <c oughs> นำกลัวจะไปรกลัวตายพระพุทธเจ้าเด็กจะได้มีอปก ธรรมะให้เกิดขึ้นอยูนะ่เวลาจะสอนคนสักจิตมันก็ต้องคิดถึงธรรมะมนะาเกิดธรรมะมันก็เกิดมาตันนะะ้ขึ้นมาเหมือนกา ร, รมีชีวิตที่วาขึ้นมางั้นอย่าลอามองข้ามธรรมะไปพยายาม พยายามถือเป็นถึงสสาคัญที่ยางการฟังเทศน์คัญอย่าไปคิดว่าฟังมามากพอแล้วเลือแล้วทํางนันเถพยายามฟังทุเนี่ยอย่างที่บอกอยพยายามเจขึ้นก่อนเวลาทักทึ่วงที่อเอาเวลาที่วงนี้มาฟังธรรมน้นมามาอ้องฟงกาทีแล้วค่อยออกไปทาภารกิจกระจายงาทให้จิตเป็นที่ใส มันก็มีอะไร ห, รหรล่อเลียงจิตใจเราในขณะที่เราออกไปทํางานทำกิจเราในธรรมะคอยเกือนใจเราทาได้มีประโยชน์ทำได้เถอะทำทุกวันเลยก่อนจะออกจากบ้านเราก็ต้องรับประทานอาหารก่อนไปทําแล้วใจของเราก็ต้องรับประทานอาหารทีนี้เราก็ให้กอาหารใจแต่เราไม่ให้อาหารใจเลยใจของเราก็เลยถึงชจ้าปวดเหยีดหยดเราคานใจ ทอแท้อยู่หน่ายบือทีก็ไม่มีกำลังใจที่จะไปทางานทาการเปิธรรมะฟังอยู่ทุกวันเลยต่นขึ้นมาก่อนอะไรก็ล้างหน้าั้งตาเสร็จก็นั่งนั่งในท่าสมาธินี่และนั่งสดับตาเปิดธรรมะฟังไปผลเกิดว่าเราก็ภาวนาต่อไปนกแต่ที่จะถึงเวลาที่เราไปทาธารมะติดที่คอยทำ อันนี้เป็นส่วนที่จําเป็นต้องทำอย่างน้อยเราจะทงได้อย่างดีถ้าทำได้มากนานกว่านั้นก็ยังดีเอาเติบไปกับที่ทํา ง, งานก็ได้พอถึงเวลาพักทํา ง, งาันก็ทําอีกช่วงหนึ่งมันก็จะยิ่งมีไฟมีกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจของเราแล้วก็รักษาใจของเราไม่ให้ว่าวุ่นผุเนเล ในใจของเรามีมีกําลังมีพลังที่จะแกจไนกับปัญหาต่างๆแล้วก็จะมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาได้อยา่างถูกต้องสำคัญมากธรรมะการได้ยินได้ความธรรม เ, เป็นมงคลอย่างยิ่งการเรียนะธรรมะวระนังเอตัมหนังตระนักธรรมการได้ยินได้ธรรมทังตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต เราฝังกันมน่อยนอนเตีงกินข้าวกินอาหาหน้ากับสังเทศทาทางนี้ตปลมันง่ายพอๆกันให้อาหารกานแล้วก็ทําหารกันด้วยนี่มีแต่ให้อาหารกานให้อาหารกิเหลือเดี๋ยวว่าเคี่วให้่ยดี๋ยวก็เดนีนี่อาหารกิเหลาอาหารกายก็กินตามเวลา ถาอัานติเ ล, ล้ก็ไม่มีเวลาอยากเมื่ไหร่ก็เอาเมื่อนั้นเลยตีเลศมันจึมีกำลังว่าในใจแรงมารทำไดมีกำลังน้นอยเพราะเราไม่ให้อาหารอาหาใจไม่ให้ทันนักใจใัเราต้องมาปฏิวัติการการดำเนินชีวิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงนะ ต้องเอาธรรมะเข้าสู่ใจของเราให้มากขึ้นเอาหารี่เลตให้น้อยลงใอ้ของดื่มของรับประทานที่ไม่จําเป็นนอกเวลารับประทานนอกเวลาดื่มก็อย่าปเป็นดื่มเลยถ้าหิวน้ําก็ดื่มแต่น้ำนนํำอย่าไปดื่มน้ําที่มีสีมืดมีกลิ่นถ้าอยากจะรับประทานอะไรก็รอให้ถึงเวลารับประทานอาหารไม่รับประทานปิเล อันนี้ก็จะปรับเรื่องการเรื่องกิเลสไปได้ในะะ่ะหมครับแล้วต่อไป ม, มีนถนนขบเที้ยวในกระเป๋าเลยในถุงนี่เรียนชักที่ไหนก็อเอาไปช่วยทุกอด่างในรับประทานพร้อมๆครับเวลาให้อาหารที่กับร่างกายเราที่เดียว ไม่ได้ต่ถ้ า, านนแต่เช้ามันไม่ยด้แดดขำมันไม่ได้ทำอะไรเลมันไม่ได้ดิ้นอะไรเลยก็มีแต่น้าปากเราต้องปล่อยวาง แต่าเนี่ยมันน้อกราชการเนี่ยเ่าแล้ตลอดเวลานี่แต่น้องน่าจะสนใจเขาก็กลัวเมื่อดาแล้เขาพยายามไล่เรารู้สึกสะบิดเป็นคือรูปแร้โว่าเอ๊ะท่านท่านแสนจะดีแล้วไม่เคยพูดกับใครเลยยังลากันได้ ได้ทั้งนนแหลในโลกนี้คนจะเขาจะว่าหรือว่าได้ทุกคนอต่นี้สําคัญอ่ะสําคัญอยู่ที่ว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าสิ่งที่เขาว่าจริงก็ควรจะขอบคุณทั้งเมื่อเราจะได้มาแก้ไขายเพราะบางทีเราเขาไม่อาจจะมองไม่เห็นส่วนที่บกพร่องของเราเหมือนกับเขาเป็นกระจกเงาให้เราดูหน<ง>้าตาเรา ตอนเราจะออกจากบ้านเนี่ยเราต้องดูกระจกก่อนครับว่าเรียบร้อยหรือเปล่าสะอาดเรียบร้อยหรือป่า<ม>ถ้ามันมีกระจกบางทีที่ตายังติดอยู่ที่มุ้งยังติดอยู่ที่ปายจมูกอต่เขาบอกว่าเนี่ยมีที่มุ้งมีที่ตายอยู่นะมันไปโกรธเขาทาไมถ้ามันเป็นความจริงเราต้องขอบใจครับถ้ามันไม่เป็นความจริงเราก็บอกว่าเขาหูหยอกตามบอกพูดใต่แบบไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่เห็น ผ่านเก่งก็ปไปก็พูดไปเราไปห้ามก็ไม่ได้เราอยู่ในเลิกของมินทาราศรเสรื่นมีมินทาย่อมมีสรเสรื่นมีศรเสริ่ย่อมมีมินทาเป็นธรรมดามีเจริญรากย่อมมีเสื่อมเสื่อรากเป็นธรรมดามีเจริญยศย่อมมีเสื่ยศเป็นธรรมดามีสุขย่อมมีทุกเป็นธรรมดาโลกก็ทําแปด เราต้องรู้ทันโลกกับทันใจถ้ารู้ทันเราก็จะปล่อยวางเวลาชมก็ไม่ดีใจเวลาทิก็ไม่เสียใจเวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาเสียก็ไม่เสียใจเวลาสุขก็ไม่ดีใจเวลาทุกข์ก็ไม่เสียใจเพราะเป็นเรื่องปกติเหมือนกับเวลาร้อนก็ไม่ดีก็ไม่เดือเวลาหนาวก็ไม่เดือดร้ออยู่กับมันไปทุกเหตุทุกอย่าง เป็นธรรมดาถ้าไม่รู้ก็จะหลงถ้าชอบเป็นไหนก็จะดีกันพอไม่ชอบเปนไหนก็จะเสียใจนี่เราไปบังคับได้ไหมเนีย่ยลมพัดเราไปบังคับเสียงการกระตได้ไหมครับเขาก็เป็นปลายกาง<ม>เหตุกางปั<ม>จจัยเหองเขาคนที่ดา่าเราเขาก็เป็นเพียุมีปัจจัยที่ทําให้เขาดา่าเรา คนที่ชมแล้ก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาชมแหละก็เท่าไงชมแล้วก็ผ่านไปด่าแล้วก็ผ่านไปนันก็เป็นเสียงเหมือนกันไม่มีปัญหาหละถ้าฟัางด้วยธรรมฟังด้วยเหตุด้วยผลทํงด้วยปยัญญามันก็เป็นตายรักนะมันมีกิดมีดับเสียงนี้เดี๋ยวก็ดับลมพามเดี๋ยวก็หยุดพัด ไม่มีเวลาที่มันจะเป็นไปตลอดก็ปล่อยให้มันเป็นไปเราอยู่ในโลกที่เราควบคุมไม่ได้อนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรามีสิ่งเดียวที่ควบคุมได้เราจะไม่ควบคุมก็คือใจของเราอารมณ์ของเราเนี่ยเราควบคุมได้ระงับมันได้ระงับความโกรธได้ระงับความโลภได้ระงับความหลงได้ ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาถ้าเรามีทานมีศีมีภาวนาแล้วเราจะรักษาใจของเราให้เป็นปกติได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามใจของเราจะเป็นอุเบกขาจะสบา ย, ยตลอดเวลาจะชั่งมันได้ตลอดเวลาชั่งมันชัง่งนันอะไรจะเกิดก็เกิดชั่งมันชั่งมัน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 แตงไปทางโลภแล้วก็แก่มาทางโกรธถ้ามันโลภถ้ามันรักมากมันก็จะโกรธมากถ้ารักน้อยก็จะโสดน้อยทั้งเกตเดูยคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะโกรธมากที่สุดคนที่เรารักมากเนี่ยเราจะโกรธมากคนที่ห่างไกลจากเราเราไม่รักนี่เราจะไม่ค่อยโกรธรับเราจะเป็นอะไรเขาจะทําอะไรเราไม่ค่อยจะรู้สึกอะไร มันลุกตุ้มนาฬิกาถ้าแว่งไปทางหนึ่งมากมันก็จะแกว่งกลับมาอีกทางมากถ้าอีกโคงการมันก็ไม่มันก็ไม่แว่ง ม, ม, มันก็จะเฉยเฉยถ้าไม่โลภไม่โกรธมันก็จะเฉยเฉยนะเพงก็หยุดนะเราไม่ต้องไปทําอะไรก็เดีินถึงเวลาก็หยุดเอง เวธนาก็แบบเดียไกมันจะเจ็บยังไงเดี๋ยวถึงเวลามันก็หยุดมันเลยทำทานขอใเราทำใจให้นิ่ง ว่าจะมีมากหรือน้อยไม่สําคัญใจไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้มีความสุขได้สิ่งที่เราต้องมีก็เพื่อน่างกายเราเท่านั้นแหละหรือหรือเพื่อกิเลสเราทั้งอย่าถ้าเรามีเพื่อกิเลสเราเราก็เราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายมากขึ้นถ้ามีเพื่อน่างกายมันก็มันก็มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่จะไปมีเพื่อกิเลส เวลาอยากอะไรที่เราไม่มีความจำเป็นต้องมีเนี่ยเรียกว่าเป็นกิเลสมีเสื้อผ้าเต็มตู้เราอยากจะได้เสื้อผ้าเสื้ใหม่มีรองเท้าอยู่เต็มตู้เราอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่อย่างเนี้เป็นการเป็นการส่งเสริมกิเลสเป็นการเลี้ยงกิเลสให้มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจมากขึ้นไป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 เป็นการทำบุญให้ทานให้วิทยาทานให้ธรรมทานแต่ถ้าเขาไม่มาขอร้องอย่าไปอย่าไปยุ่งนะคเขาถ้าใครเขาไม่มาขอร้องให้ไปช่วยแก้ปัญหาก็ไม่ต้องไปเสนอตัว <c oughs> อยู่ของเราไปเถอะแก้ปัญหาของเราปัญหาของเรายังมีอยู่อีกมากมายแก้ปัญหาของเราแล้ว เ, เราได้กําไร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 คือฐานศีลภาวนานี้มาเป็นเครื่องมือแต่ศัตรูของเราก็คือกิเลสตัณหานี่ความโลภความอยากความโกลีความห ล, ลงอาวุธเนี้เครื่องมือของเราก็คือทานศีลภาวน า, นา <c oughs> ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่ก็เป็นเครื่องมือปติก็เป็นเครื่องมือ ศรัท ธ, ธา <c oughs> วิริยะสติสมาธิปัญญานี่นก็เป็นเครื่องมือหรือมักแฝดนี่นก็เป็นเครื่องมือเพป็นอันเครื่องมือเราใช้ชื่อต่างกันไปเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือชนิดเดียวกัน <c oughs> มีไว้เพื่อที่จะมารักษาใจของเราให้อยู่อย่างปกติสุดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเ็คิดว่าสมควรกับเว้าเมือไเนี่ยนะจะให้พอนะ